นับูตัตสัภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสนณบูตัตส ah sam ัภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสนณบูตัตสัภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสะ จิตตังรักเคธะเบธาวีจิตตังดันตังสุขาวหันตี <c oughs> นั่งตามสบายมาถึงพอนั่งหายใจไม่ทันได้สามคู่เสียงพรุ ม, มาขึ้นแสดงว่าพวกเราอยากฟังธรรมมาก <c oughs> อาวันนี้ ครั้งที่ห้าสบสวันนี้จะแสดงธรรมะสบายสบายเหมาะ ก, กับวัยเรื่องสมอัมมาทิฏฐิจะพูดหลายทีแล้วไม่ได้พูด ทีพูดเชียวันนี้สัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเป็นองค์ธรรมที่รวมทั้งหมดในการที่เราปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาฝึกจิตอะไรต่างๆก็ตามทําบุญทาทานอะไรต่างๆทั้งหมด ไปรวมอยู่ในสัมมาทิฏฐินี่แหละเพราะสมาทิฏฐิเนี่ยมันจะทำให้เกิดสัมมาสังกปะทำให้เกิดสัมมาวาจาจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิสมาทิฏฐินี่สัมมาแปลว่าชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัมมาทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นชอบ นภาษาบาลีทับศัพท์เรียกว่าความเห็นชอบทีนี้เห็นอย่างไรอ่ะที่ว่าเห็นชอบเห็นถูกหรือเห็นผิดถึงเรียกว่าเห็นชอบเห็นถูกหรือเห็นผิดฮะเอ่อเห็นถูกถะถูกโดยความหมายภาษาไทย มันก็จะอาจจะไปไม่ถึงสัมมาทิฏฐิก็ได้เห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันจะต้องเห็นตามความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดถ้ามันยังอยู่ถูกอยู่ผิดมันเป็นเรื่องของเหตุผลมันก็ไปได้ไม่ไกลไปใกล้ แต่ถ้าว่าเห็นที่เป็นสมาธินี่เห็นตามความเป็นจริงจริงที่สุดจริงกว่านี้ไม่มีอะไรอีกแล้วเห็นอย่างนี้แหละมันจึงเป็นเห็นที่จะปลดล็อกของวัตตาสงสารได้เห็นที่เป็นสมาธิเป็นความเห็นที่ปลดล็อกของสมมาธิฏฐิได้นี่จะมีคำถามว่า ถ้าคนหนึ่งคิดที่จะทำบุญทำทานรักษาทรีนไหวพระตรวจนญความเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นแล้วตัดสินใจทำอย่างนี้ถือเป็นสมาทิฐีไหมมันก็จัดเข้าไปสู่สมาธิธได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าการเตรียมใจเตรียมตวยัวพร้อมความเป็นสมาธิธส่วนเหตุกับความเป็นสมาธิธส่วนผลมันก็มีอยู่ กล้าคากล่าวว่าเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นมันจะมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนเรารู้จักแสงเงินแสงทองใช่ไหมแสงเงินแสงทองออย่างไหมเช้าวเวลาพระอาทิตย์จะขึ้นน่ะเห็นไหมแสงก่อนอรุณน่ะที่มันโผล่ขึ้นมาจากขอบคว้าเราไปอยู่ตามภูกระดึงไปอยู่ตามริมทะเล เราก็จะเห็นแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นมาก่อนและถ้าพักหนึ่งพระอาทิตย์ก็จะขึ้นไอ้แสงเงินแสงทองเนี่ยมันคือการอาการที่ใจของเราน้อมก็ไปสู่บุญกุศล น, น้อมก็ไปเรื่องทานน้อมก็ไปเรื่องชินน้อมก็ไปเรื่องการภาวนาน้อมก็ไปเรื่องของการไหวพระสวดมน โดยวัยของพวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้มันควรน้อมแล้วแหละถ้ายังไม่น้อมไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยยิ่งกว่าแสงเงินแสงทองอีงนกนะอาการแสงเงินแสงทองประการหนึ่งที่จะบอกก่าพวกเราว่าควรควรเข้าหาสัมมาทิฏฐิให้ได้โดยเร็วอาการนั้นก็คือการอาการอันิจจังในชีวิตประจาวัน เช่นก็บอกว่าที่สูงกลับต่าที่ดำกลับขาวที่ยาวกลับสั้นที่มันกับคลอนที่หย่อนกลับตึงสี่ซึ่งกับเสือนี่มองในตัวของเราเองนะม <c oughs> ี่แสงเงินแสงทองนะบอกให้รู้ไว้ว่าเปรียมเตรียมตัวเข้าสู่สัมมาทิฏฐิได้แล้วช้าไม่ได้แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นรถโดยสารนี่เขาเรียกว่าขาบวนสุดท้ายแล้วช้าไปกว่านี้อาจจะ ไม่มีอีกแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งอืไปพอมาเดือนที่แล้วแกมาหาธรรมาที่กุติก็นั่งคุยกันพระเอิญมาถูกคุยไปคุยมาแค่ว่าถ้าสมมติว่าแกป่วยแต่ตอนนั้นแกแข็งแรงนะมาทำกว่ากุ้งกับเก้าเลี้ยงพระเลี้ยงเงินดีถ้าแกแข็งแรงอยู่เนี่ยถ้าเกิดแกป่วย แล้วเป็นโรคมะเร็งแล้วแกจะต้องหมอจะต้องพาแกไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจาะไปใช้แสงไปอะไรกับแกเนี่ยแกบอกว่าท่านช่วยห้ามพวกเด็กๆด้วยนะเก็บแกไม่เอาแกไม่ทำถ้าจะสงสารแม่เห็นใจแม่ขออย่างเดียวกขออะไรข อ, อยาแกปวด แก okay, ว่าถ้าถ้ามันปวดมากๆเนี่ยมันนึกถึงคำพระคำเจ้านอนภาวนาไม่ได้มันรบกวนแต่ถ้าว่าเอาอยาแก้ปวดอย่างเดียวและทีนี้กลับไปที่นูน่นคุยกันเล่นๆ น, นะกลับไปแล้วแกก็ปว่วยจริงเ้ยเป็นมะเร็งระยะถุดท้ายไปนอนดูกลับไปตักทิวันโดยขึ้นมาลุกงเจ้าผลมาตูมมันแล้วแกก็ไม่ไปโรงพยาบาล หมอเขามาพูดเองก็าไม่ไปไม่ไปแล้วก็ปวดเราก็รักษาสัญญาบินลงไปเลยบินลงไปถึงบอกไอ้พวกนี้ว่าไอ้พวกนั้นบอกว่ามันจะพาไปโรงพยาบาลแต่แกไม่ไปนี่เราก็บอกว่าพไปขอหมอฟีนเลยให้หมอมาให้หมอฟีนเลยเพราะหมอไม่กล้าให้หมอฟีนคนไข้เพราะปูคนไข้ติดไอ้นี้เราไม่กลัวติด ให้ไปจจาไปคุยแค่เลยเพรได้มอร์ฟีนเขามานะโอ้ก็ได้ยาแก้ปวดดีๆขึ้นมานะโอ้ยพอวนาดีมากเนี่ยไอแสงเงินแสงทองที่ว่าคืออาการคืออาการเตรียมใจไว้แล้วเราก็ว่าด้วยความรักลูกคือแกคิดว่าลูกจกมีตังค์แหละแต่ว่าเอาตังค์ไปรักษาเท่าไหรเท่าไ ร, าไรมันก็หมดแล้วก็ไม่หายไอโรคที่แกเป็นอยู่นะ ตอนนี้แกตายแล้วนี่วันที่สี่ต่มาจะลงไปใหม่พอวันที่ห้าไปนอนกลางึ้นถ้าเราหันมามองดูตัวเราเองเราก็จะเห็นว่าเราควรจะเตรียมอะไรในส่วนที่เป็นสมาธิสมา ธ, ธิที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็รู้ในเรื่องสี่เรื่องหนึ่ง ทุกเกยานังคือรู้ในเรื่องของทุกจริงๆสองคือรู้เรื่องของสมุทยัยสามรู้เรื่องของนิโรธสี่รู้เรื่องของมรรคไม่มีอันอื่นนอกเหนือไปจากนี้นี้เรามาดูว่ารู้เรื่องของทุกมันต้องรู้จบนะรู้เรื่องทุกจริงๆ ในปัจจุบั น, นี้เราคิดรู้สมมุติว่ารู้เพราะเนื่องจากเราได้อ่านได้ดูได้เห็นเราก็พูดได้คุยได้ว่าชีวิตนี้มีแต่ทุกข์แต่มันไม่ถึงขั้นสัมมาทิฏฐิเราสังเกตได้จากอะไรสังเกตจากความปรารถนาและการแสวงหา ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอุปท า, านอุปท า, านมันส่งผลให้เกิดขึ้นสองตัวคือตัวเรากับของเราและเราก็จะทุกข์ในสิ่งที่เป็นว่าตัวเราและของเรานั่นแหละไอ้สิ่งที่จะเป็นตัวเราขึ้นมาได้สิ่งที่จะเป็นของเราขึ้นมาได้มันก็มีอุปท า, านมีอุปท า, าน ทีนี้เราสังเกตว่าเราเข้าไม่ถึงสมมติทิในชั้นของในชั้นของความเป็นสมาติทิจริงๆสังเกตจากความปรารถนาและการแสวงหาทั้งๆ ท, ที่เรรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ความปรารถนาของเราปรารถนาอะไรเราก็ปรารถนาสุข เราแสวงหาอะไรเราก็แสวงหาสิ่งซึ่งได้มาแล้วทําให้เป็นสุขแต่เรากลับได้ก้อนทุกมาทุกก้อนทุกชิ้นทุกอันที่เราได้มาล้วนเป็นทุกล้วนเป็นก้อนทุกทั้งสิ้นแต่เราก็เข้าใจว่ามันคือสุขและเราก็หาความสุขจากสิ่งที่เราแสวงหามา น, นั้นไม่มี และเราก็ยังปรารถนาและแสวงหามันอยู่เรื่อยๆและสิ่งที่เราปรารถนาแสวงหามันไม่มีอะไรใหม่เลยก็อของเดิมนั่นนั่นนะบางส่วนก็เป็นวัตถุบางส่วนก็เป็นบุคคลบางส่วนก็เป็นสิ่งของบางส่วนก็สมมุติได้มีค่าบางส่วนก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็สุดแท้แต่แต่ว่าเราก็แสวงหาในสิ่งเดิมปรารถนาในสิ่งเดิมด้วยความรู้สึกที่ว่ามันเป็นสุข แต่เมื่อเราได้มาทุกอันทุกชิ้นมันกลับเป็นทุกจะหาสุขจากสิ่งนั้นน่ะ น, น้อยอาการอย่างนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเราทำทานรักษาจีนทำบุญทำกุศลด้วยความมุ่งมากปรารถนาว่าให้ได้สิ่งนั้นๆมาเพื่อที่จะให้เราได้เป็นสุข มันก็เลยเป็นสิ่งถูกเป็นความคิดถูกเพราะว่าให้ทุกอย่างเป็นวิบากของบุญเราก็จะดำเนินในเส้นทางสายบุญไอ้นี่ถูกแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นของสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิมันต้องเข้าถึงความจริงที่ยิ่งไปกว่านั้นความจริงที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเห็นทุกสิ่งทุกอันทุกชิ้นว่ามันเป็นก้อนของทุก แล้วก็มันเป็นทุกข์จริงๆทุกข์จริงๆก็เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยและมีการปรุงแต่งตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปจนในที่สุดก็แตกดับแต่ความสุขที่เราปรารถนาเราไม่ได้ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ปรารถนาความแปรปรวนเราไม่ได้ปรารถนาความแตกดับเราไม่ได้ปรารถนาความพลาด แต่ในความเป็นจริงในทุกๆสิ่งมันมีความแปรปรวนมีความแตกดับมีความพลัดพรากความเข้าใจของเราที่มีต่อสิ่งนั้นๆว่ามันไม่แปรปรวนมันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตเ น, ตนเป็นนิจจังมันเป็นของเที่ยงแท้อย่างยืนอันนั้นแหละที่เรียกว่าอุปาทานถ้าขยายออกไปอีกทำไมจึงเป็นอุปาทานก็เพราะมันมีตันหา มันมีความปรารถนาความอยากมันเลยทำให้ยึดถือยึดถือนั่นแหละมันจะทำให้เราเมีความรู้สึกสวนทางกับความเป็นจริงทั้งๆที่เราอ่านเราฟังเราเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์แต่ในความรู้สึกที่มีความปรารถนาในการสวยงามมันสวนทางมันสวนทางกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในตัวที่เป็นสมาธิธมันจึงไม่ใช่เรื่องของถูกของผิด มันเป็นเรื่องของความความรู้สึกได้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรทีนี้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทำใหเรารู้สึกได้ว่าความเป็นจริงแท้จริงเป็นอย่างไรมันก็ปลดล็อกได้มันปลดล็อกอะไรในความเข้าใจของเราเราคาดหมาย ความเป็นตัวตนของทุกๆเรื่องเอาตั้งแต่ตัวของเราเองเนี่ยในตัวของเราเองเนี่นี่คือเราฉันข้าเราก็เข้าใจมันอย่างนั้นแม้แยกย่อยออกไปก็ผมของเราเล็บของเราเลือดเนื้อเชือ้อไขเลือดเนื้อหนังอวัยวะภายนอกภายในเราก็ ล้วนแต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรามันเป็นเราทั้งนั้นแต่ความรู้สึกตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่เป็นสมาธิมันจะเข้าใจในความรู้สึกตามความเป็นจริงทันทีว่าตัวเรานี้แท้จริงอ่ะมันไม่ใช่เราตัวเรานี่แท้จริงมันไม่ใช่เราตัวเรานี่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ธาต มันเป็นเนแค่เหมันเป็นแค่สิ่งปุงแต่งที่มีความเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแปรปวนไปในที่สุดก็แตกดับไปหาเราในนี้ไม่มีและเราไม่มีในตัวเราไม่ในตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่เราเราไม่มีในตัวนี้ความเห็นอย่างนี้ในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้อันนั้นแหละคือสมา ธ, ธิถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันก็จะปลดล็อกปลดล็อกเรื่องของ ความเข้าใจผิดว่ามันเป็นกลุ่มก้อนเป็นตัวตนทางภาษาพระเราเรียกว่าสักยทิทิสักยติทิแปลว่าความเห็นว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนทั้งๆที่เรานี่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงนะอเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปหมดแยกแยกออกมาแล้วมันเปลี่นเป็นเกล็ดธาตที่มาประกอบกันข้าวก่อนที่จะมาเป็นสิ่งที่ชื่อว่าเรา ก็มีพ่อเราแม่เราปู่เราตาเราย่าเรายายเราบันพอบุรุษแต่ละสังแต่ละควากเนี่ยมันไปไหนหมดนะฮะเพราะมันแตกดับใช่ปะละ่ะเออเพราะมันแตกดับแล้วก็พราดนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงของชีวิตมันก็ไม่มีไม่มีใครให้หลงเหลืออยู่ในที่สุดแม้แต่เรานี้ที่เราเข้าใจว่าเรามันก็ไม่หลงเหลืออยู่เพราะมันเพียงแค่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึก ที่มันประจักษ์แจ้งในใจเกิดขึ้นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะปลดล็อกออกมาล็อกตัวนี้แหละคือล็อกสัตยทิฐิจากเดิมที่เห็นว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนตพอเห็นว่ามันไม่ใช่กลุ่มก้อนตัวตนที่แท้จริงในความรู้สึกอย่างนี้โอ้ยมันละลายเรื่องราวออกไปเยอะมากคิดตามทันใช่ไมมันละลายเรื่องราวออกไปเยอะมากในชีวิตของเรา มันละลายออกไปตัดความหวาดสะดุ้งออกไปทั้งทั้งที่ว่ามันยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโบหะอยู่นะแต่แค่ความเห็นอย่างเนี้ยที่มันมีกระจัก์แจก้งอยู่ในความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะละลายเรื่องเราในที่มันรกรกอยู่ในชีวิตนี่ออกไปเยอะมากสิ่งอันไม่เป็นสาระที่เรา ดำเดินอยู่ก็จะถูกมันริดรอนออกไปมันริดรอนออกไปด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นไม่ไม่ใช่กลุ่มค้นไม่ใช่ตัวตนเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้เชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้พอมันเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ความเชื่อตัวนี้จะเป็นใหญ่พอความเชื่อตัวนี้เป็นใหญ่มันก็จะทำให้เราน้อมเข้าไปเพื่อการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อในพระพุทธเจ้าที่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นใหญ่ในใจได้เนี่ยโอ้ยมันตัดอีกเยอะมันตัดเรื่องเราออกไปอีกเยอะอีกพอมันตัดไปอย่างนั้นพฤติกรรม วัฒนธรรมจารีตประเพณีปฏิบัติที่เราทำทั้งหมดส่วนหนึ่งที่มันเป็นศีลพระตาปรามาตยเมื่อกี้พอเราเชื่อพระพุทธเจ้าจบเสร็จมันหมดความสงสัยแล้วนะมันไม่สงสัยแล้วมันมีราคาเทาสาวพระแต่มันปลดล็อกได้อีกตัวหนึ่งคือว่ามันหมดความสงสัยแล้วหมดความสงสัยเคลือบแคลง ในพระพุทธเจ้าหมดความสงสัยเคลือบแคลงในพระธรรมคําสอนหมดความสงสัยเคลือบแคลงแล้วอืมแค่นั้นยังไม่พอนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ศีลที่เราเรียกว่าศีลหน้าที่เราวิรัตกันนะ่ะมันไม่ต้องไปวิรัติแล้วมันเกิดขึ้นมาเองแล้วโดยธรรมชาติเราเรียกกันว่า น, นิตยศีลมันเป็นธรรมชาติของมันเองใจที่จะไปอหักหาน เบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินหรือระเบิดบุคคลต่างๆคำพูดคำจาที่จะไปโกหกสอเสียดยุยงพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อมันจะหายไปเองมันจะหายไปเองเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างชัดแจ้งว่าตัวเรามันไม่มี เราไม่มีอยู่ในในในใ น, ในนี้แค่นั้นเองความเห็นนี้ถ้ามันชัดแจ้งขึ้นมานะโอ้ยตัวศีลก็จะเกิดขึ้นมาเพราะมันจะเห็นอะไรมันจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวของชีวิตเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสะอาดมันจะเคลื่อนไหวให้แบบสะอาดนั่นการทุศีล ความอย่างจิตอย่างความรู้สึกลงไปในในการที่จะเบียดเบียนหรือผิดศีลในแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อในบรืเรงสกปรกต่อจิตที่มีความรู้สึกสะอาดมันจะเป็นอัตโนมัติแบบนี้ในการแสวงหาทุกอย่างก็จะมุ่งตรงไปสู่ประโยชน์ของมันจะตรงเข้าไปสู่ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ที่ใช้สอยในปัจเจศี ก็หาประโยชน์ของมันประโยชน์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็เอาตรงนั้นประโยชน์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็เอาตรงนั้นประโยชน์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็เอาตรงนั้นลองคิดดูเรื่องสาระต่างๆมันตัดออกไปเยอะมากไอ้เรื่องสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นทอนนั้นเองตอนนี้ยังไม่เลยไม่ได้พูดถึงว่าเออจะไปเป็นอริยบุคคลอะไรไม่ใช่นะนี่จะถามว่าในชั้นของการคิดเข้าถึงได้ไหมทนี้หลายคนก็บอกว่า ถ้าคิดนไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกได้เพราะโยดีโศมันนักิการมันคือการคิดและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งข้อสามมาสังกปะคือความคิดถ้าใครบอกความคิดไม่ใช่วิปัสนาก็ก็ว่ากันไปแต่เอาอที่พระพุทธเจ้าบอกก่อนแล้วกัน สัมมาทิฐิเมื่อมีความเห็นที่ที่ตามเป็นจริงอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะ ต, ต้องไปรู้จักว่าไอ้ทุกเกยานังสมุทเยยานังนิโรถิโรยานังมันแปลว่าอะไรหรอกนะเราแค่มีความรู้สึกตามความเป็นจริงได้ว่ารูปนามหรือขันห้าหรือว่าตัวเรานี้มันไม่ใช่กลุ่มก้อนอย่างที่เราเข้าใจ มันไม่ใช่อัตราที่แท้จริงมันไม่ใช่เที่ยงไม่ใช่มันตั้งอยู่อย่างนี้ต่อถาวรไปเรื่อยๆไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่กลุ่มมันเป็นเพียงแค่สภาวะของธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็แตกดับไปในที่สุดพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆมันคือการคิดไหมเออมันคือการคิดใช่ไมล่ะอืม แต่เป็นความคิดยิ่งคิดแล้วมันยิ่งเบายิ่งคิดแล้วมันยิ่งฉลาดยิ่งคิดแล้มันยิ่งรู้ใช่ไหมละ่ะโย ise, นิโสมะนสิการโยนิโสมแปลว่าแยบคายละเอียดดูดีมะนสิการมะนสิการะกนะ็คือการกระทําในใจการกระทําในใจทําไมเรียกว่าคิดไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถูกว่ามะนสิการมะนสิการะคือการการกระทําในใจอการพูดนี่เรียกว่า ว่าจีกรรมนี่เขเรียกวการกระทําทางวาจาใช่ไหมการเคลื่อนไหวกายนี่ก็เรียกว่ากายกรรมหรือการกระทําทางกายแต่มนัสิการเนี่ยเรียกว่าการกระทําในใจมนสสิแปลว่าในใจการรก็คือกระทำมนัสสิมนัสิการรก็คือการกระทําในใจนี่การนั่งฟังเทศน์นี่อย่างเงี้ยคิดไหมคิดตามใช่ไหมล่ะเออก็คือคิดนี่เป็นโยนิโสมนัสสิการ ใครจะว่าคิดหรือไม่คิดหรือจะอะไรก็ไม่รู้แต่ให้น้อมนำเรื่องดังกล่าวมาคิดพิจารณาว่าตัวของเรานี้แท้จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองทำความรู้สึกให้จิตมันไปตั้งอยู่ตรงที่ไม่ใช่เราให้จิตมันไปตั้งอยู่ตรงที่ไม่ใช่ของเรา ไม่ว่าในขณะที่เราเดินยืนนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดที่เป็นกิริยาลองทำความรู้สึกที่มันไม่ใช่เราลองดเอูเราก็จะยิงเห็นชัดเลย เ, เวลากินเราก็ไม่ได้ว่าเรากินนะเราก็เห็นแค่การกินเวลาดื่มเราก็เราก็เห็นแค่การดื่ม เป็นกิริยาที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นปรุงแต่งมาจากเจตนาปรุงแต่งมาจากเจตนาถ้าไม่มีเจตนามันก็ไม่กินใช่ไหมไม่มีเจตนามันก็ไม่ดื่มใช่ไหมไม่มีเจตนามันก็ไม่เดินใช่ไหมไม่มีเจตนามันก็ไม่นั่งไม่มีเจตนามันก็ไม่นอนไม่มีเจตนามันก็ไม่ไปเออเป็นเพียงแค่ศักว่าเจตนาเกิดขึ้นแล้วให้กิริยานั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเสร็จแล้วดับไปเป็นเพียงแค่เจตนาที่เกิดขึ้น แล้วเป็นเพียแค่เจตนาปรุงแต่งให้เกิดกิริยาต่างๆขึ้นกิริยาต่างๆเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้แต่เจตนานั้นก็ดับไปด้วยมันเป็นการเกิดและการดับการเกิดและการดับการเกิดและการดับการเกิดและการดับในนั้นเรามีไหมไม่มีมันใช่เราหรือไม่มันก็ไม่ใช่พระเจ้าก็เลยให้ทําความรู้สึกดูซิว่า อ, อในกิริยาทั้งหลายแหล่มันไม่ใช่เรา แต่ในการทำความรู้สึกอย่างนี้มันต้องอาศัยวิเวกวิเวกะนิสิตังตรงนี้แหละที่มักผู้สอนภาวนามักจกะพูดกันว่าอย่าไปเพียงแค่คิดก็คิดนั่นแหละแต่ต้องคิดที่อาศัย ว, ว, วิเวกวิเวกกะนิสิตัง พระพุทธเจ้าเลยสัตว่าสัมมาทิฏฐิอันภิกษุจะเริญเมืองอันภิกษุอาศัยวิเวกวิเวกานิสสังนิโรธานิสิงังอันอาศัยนิโรธวิราคะนิสิงังอันอาศัยวิราคะโวขสักขังและน้อมไปเพื่อการล ะ, จะเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําความสิ้นไปของราคะทําความสิ้นไปของโทสะทําความสิ้นไปของบุหาได้เมื่อพรุทธเจ้าพูดถึงสัมมาทิฏฐิพรพุทธเจ้าพูดแบบนี้ ว่าภิกผู้ต่้งหลายเธอรู้แล้วอย่างนั้นเอตาดานิออลุกขะเอตดานิลุกขมูลานินั่นโคนไม้สุญยาคารสุญยาเอตาดานิสุญยาคารานินั่นเรือนร้างไปทำพวกเจ้า <ple ads> บอกสามมาทิติที่พิสุอาศัยวิเวกอาศัยวิโรธอาศัยวิราคะน้อมไปเพื่อการล ะ, จะเจริญแล้วอบรมแล้วทําให้มากแล้วจะทําให้ถึงความสิ้นแห่งราคะเรียกว่าราคะวิเนยะปริโยธานาเข้าวหมหมายว่อทำถึงความที่สุดแห่งการกําจัดซึ่งราคะเสียได้เป็นต้นเมื่อเธอทราบดังนี้แล้วเอตดานิลุกขมูลานินั่นโคนไม้เอตดานิ สุญญาคารานินั่นเรื่นร้างจงไปดำเนินการปฏิบัติจัดการซะเพื่อให้จิตได้เกิดความรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่ก้อนนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิพอทรงตัดถึงสัมมาสังกปะาก็ตัดเหมือนเดิมสัมมาสังกโปว่าสัมมาสังกป ะ, กปะอันพิสุอาศัยวิเวกอาศัยนิโรธอาศัยวิรคะและวกสักคะ อบรมแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็จะทําให้ไปสู่การกําจัดซึ่งราคะโทสะบูหะได้แต่ละข้อแต่ละข้อมันมีวิธีการปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นสมาธิิฐก็เหมือนกันและเราจะต้องทําความเข้าใจตัวสมาธิิไม่ใช่เรียนรู้เพียงแค่สับๆเดียวแล้วก็ปล่อยเว้นว่างไว้เราต้องทําความเข้าใจให้ใจของเราเกิดความรู้สึกให้ได้ หนึ่งว่าทุกข์จริงๆเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าอุปาทานตันหาอุปาทานที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในขันในขันทั้งห้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเราและของเราทาให้เกิดเป็นทุกข์ทำไมมันถึงเป็นทุกข์เพราะมันเตือนแตงไปปวนตลอดเวลา ตัวเราเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปปวนตลอดเวลาพอมันเปลี่ยนแปลงแปปวนตลอดเวลามันปรากฏขึ้นมามันก็เป็นทุกข์เพราะมันขัดแย้งกับอุปทานที่เรายึดอยู่ใช่ไหมล่ะขามันเดินอยู่ดีดีพอมันกระเพกกระเพกมันก็เป็นทุกข์เพราะอุปทานที่เรายึดอยู่นะมันจะต้องเดินดีใช่ไหมแต่พอมันกระเพกกระเพกเรารู้สึกเป็นทุกข์แต่ถามว่าการกระเพกของขาของเรานี่ยมันเป็นเรื่องปกติไหม มันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเพราะสภาพของสิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นปกติและในที่สุดมีความแตกดับเป็นปกติมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในความเปลี่ยนแปลงมันจึงเป็นความปกติใช่ไหมเออมันเป็นความปกติแต่เราเป็นทุกข์เพราะมันขัดแย้งกับอุปทานที่เรายึดอยู่เพราะัอุปทานมันจึงเป็นตัวที่จะทำให้เกิดทุกข์จริงๆงั้นพระพุทธเจ้าเลยก็ให้เราเรียนศึกษารูปร่างกายของเราที่ชีวิตเราเนี่ย โดยฐานะของความเป็นธาตุโดยฐานะของความเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆอ่ะไอเราพูดว่าชีวิตนี้ขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่พอกับการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นได้มันไม่พอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าขันห่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไอความรู้สึกนั้นไม่พอสำหรับที่จะไปปลดล็อกในความเห็นเป็นตุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนได้ วิธีพิสูจน์ว่าเรายังความมีความเห็นนั้นไม่พอก็ดูที่การสแสวงหาของเราดูการสแสวงหาของเราและดูความปรารถนาของเราอืมเรายังหลงยังเพลินยังยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็ยังไม่ใช่แล้วก็ต้องให้ทําวิธีการศึกษาการศึกษาก็คือวิธีคิดตามแนวที่พระพุทธเจ้าวางไว้เช่นโดยความเป็นธาตุขันธาตุอายตนะอินทรีย์ขันเช่นว่าขันห้า มันเป็นเพียงแค่ขันห้าโดยใช้คําว่าสักแต่ว่าเข้าไปสักแต่ว่าขันห้าสักแต่ว่ารูปที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าสัญญาที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าสังขารที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นทําไมมันจึงต้องใช้สักแต่ว่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยและก็ดับไปตามเหตุและปัจจัยมันสักแต่ว่าอย่างนั้นจริงๆในนั้นมันเลยไม่มีเราเอามาดูรูปรูปกายที่ว่า โดยความเป็นธาตุธาตุา ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดินในส่วนลักษณะแก่นแข็งผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกระลึกกาไปที่ตัวของตัวเองตั้งแต่เส้นผมระลึกกาไปที่เส้นผมมองให้เห็นให้ได้ว่าเส้นผมนั้นมีสันฐานเป็นอย่างไรเกิดที่ไหนตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ได้อย่างไรมีลักษณะเป็นแบบไหนและก็ถามย้อนลงไปนี่ถามย้อนลงไปในเส้นผมนั้น ว่ามันเป็นตัวเราไหมมีเราอยู่ในเส้นผมนี้ไหมเส้นผมนี้ใช่เราหรือไม่มันเป็นของเราหรือเปล่าเราสามารถเข้าไปบังคับการเกี่ยนเส้นผมของเราได้ไหมอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วในความเป็นจริงมันตั้งอยู่แปรปวนแล้วสุดท้ายมันก็จะหลุดออกจากหนงังศีรษะของเราอืมเราไม่สามารถเข้าไปบังคับมันได้จริงๆไม่สามารถเข้าไปบังคับมันได้จริงๆแล้วก็ ตัวเราไม่มีอยู่ในเส้นผมนั้นเส้นผมนั้นก็ไม่มีเราหลังจากนั้นเราก็ลงไปอีกผมขนเล็บควนันหนังเนื้อพิจารณาศึกษาเรียกวาย่าโยนิโสมาริการโดยความเป็นธาตุอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรืยถ้าเราพิจารณาแค่เส้นผมประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีเราก็รู้สึกแล้วมันมีความรู้สึกแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วแหละแล้วลเราคิดดูว่าเราพิจารณาทั้งหมด นอกจากผมแล้วเราไปไปพิจารณาฟันพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเอ็นพิจารณากระดูกพิจารณาเยื่อในกระดูกพิจารณาม้ามพิจารณาหัวใจพิจารณาตับพิจารณาพังผืดพิจารณาไตพิจารณาปอด พิจารณาเสมหกน้ําเหลืองน้ําเลือดพิจารณาทั่วไปในสักปางกายแต่ละชิ้นแต่ลิ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อจิตใจของเราอย่างไรและไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรนี่พิจารณาโดยความเป็นธาตุนะพิจารณาโดยความเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิน่นรสโดดผฏฐพัทธมารมพิจารณาโดยความที่มันเป็นตา โดยความเป็นอายตนะพิจารณา้วยความเป็นตาหูจมูกลิ้นกายตาดูสิในตาเนี่ยมันเป็นเราตอนไหนมีเราอยู่ในตาไหมมันเป็นของเราไหมมันจะตานี้มันจะเคลื่อนไหวและก่อความเป็นเราขึ้นมาตอนที่มันมีความปรารถนาทางตา ตรงที่มีความปรารถนาเกิดขึ้นทั้งนั้นความปรารถนาทางตาความปรารถนาทางหูความปรารถนาทางจมูกความปรารถนาทางลิ้นความปรารถนาทางกายสัมผัสความปรารถนาทางใจความปรารถนาเหล่านี้เหล่านี้เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใดเมื่อนั้นความรู้สึกว่าเป็นเราก็เกิดขึ้นที่ตา ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เอาตาขึ้นมาดูเราก็ไม่เห็นเราในตาสักทีแต่พอมีความปรารถนาที่จะดูถ้ามาไปดูรูปที่ที่ไม่ถูกใจรูปที่เราไม่ชอบนั่นนะ่ะเป็นบทพิสูจน์ชัดดูแล้วมันไม่ถูกใจพอดูแล้วไม่ถูกใจเนี่ยมันเกิดมันเกิดอาการขึ้นมาถ้าดูแลถูกใจมันก็เกิดอาการขึ้นมา เพราะฉะนั้นเฉพาะในเรื่องของการดูมันก็อยากจะดูในสิ่งที่มันชอบในเรื่องของการฟังม ok ันก็อยากจะฟังในสิ่งที่มันชอบเพราะฉะนั้นความที่ตาเป็นเราหูเป็นเราจมูกเป็นเราเสียงเป็นไร้กลิ่นเป็นเราลิ้นเป็นเรากายเป็นเราใจเป็นเรามันเกิดขึ้นตลอดเวลาและก็มีความปรารถนาซ่อนอยู่ความทันหมมีความปรารถนาซ่อนอยู่นี่โดยัตนะ แล้วโดยรูปที city, ่มากระทบกับตาเสียงที่มากระทบกับหูมันก็มีความปรารถนาซ่อนอยู่ถ้าเสียงใดที่ไม่มีความปรารถนาซ่อนอยู่ไม่มีความรู้สึกใดซ่อนอยู่เสียงนั้นไร้ค่าเราไม่ได้ใส่ใจมันเลยเห็นไมมันไม่มีเราอยู่ในเสียงนั้นเลยที่มากระทบเสียงที่มากระทบกับหูของเราเนี่ยมันไม่มีเราอยู่ในเสียงนั้นเลยแต่เมื่อใดที่มันมีความปรารถนาอยู่ในเสียงที่มากระทบมันก็จะมีเราอยู่ในเสียงนั้นทันที และเสียงนั้นก็จะเป็นของเราขึ้นมานทันทีใช่ไหมดังนั้นในความปรารถนาทั้งหมดของเราเนี่ยท่านพระเจ้าว่าแค่เราพิจารณาอย่างนี้เมื่อตะกี้โดยความเป็นธาตุแต่ละอันแต่ละอันที่เป็นดินน้ําลมไฟพิจารณาเห็นความจริงของมันพิจารณาโดยความเป็นอายตนะแต่ละชิ้นแต่ละตาหูจมูกเล่นกายใจแต่ละอันแต่ละอันพิจารณาเห็นให้เกิดอาการสักว่าที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ในนั้น ด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆความรู้สึกที่ว่ามันไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่ก้อนมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงมันจะแรงมากมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราฟังแค่เราพิจารณาเรื่องนิดๆเดียวหน่อยเราเกิดความรู้สึกแล้วและถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ทุกรายละเอียดของกายของชีวิต พิจารณาไปทุกองกายก็ให้เห็นถึงความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่มีเราอยู่ในนั้นและมันไม่ใช่ของเราแท้จริงเราไม่มีอยู่ในนั้นความรู้สึกมันจะเ จ, จิดจ้าขนาดไหนท่านัญญากรณยะนั่งฟังพระพเจ้าเทศธรรมจากกัปวัตตนสูตรเกิดความรู้สึกอย่างแรงและความรู้สึกนั้นละลายกลุ่มกล้อนนั้นออกไป โดยเป็นความรู watering, ้บทสรุปว <t> um <incorrectly> ่ายังกินจิตสมุท no ัยธรมังสบานตังนิโรธธรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเท่านั้นเห็นไหมความรู้สึกอย่างนี้ที่ท่านัญญาโกลัญญะเกิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาแต่เนื่องจากว่าท่านอัญญาโกลัญญาฟังเรื่องอริยสัจเรื่องสมาธิิและนําไปทบทวนพินพิจารณา แล้วก็เกิดเป็นความรู้ขึ้นความรู้นั้นมาจากความรู้สึกที่เป็นความรู้ที่เกิดความรู้สึกอย่างแรงจนละลายกลุ่มก้อนนั้นออกไปเราเรียกกันว่าดวงตาเห็นธรรมทรใม้มาเป็นของสูงเฉยๆแค่นั้นแต่จริงๆมันเป็นความรู้สึกอย่างธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกนี้มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทภายในจิตใจละลายปลดล็อกที่ชื่อว่าสักยานิธิออกไป แล้วก็สร้างความเป็นใหญ่ที่เรียกชื่อว่าอินทรีย์คือศรัทธามีความเชื่อแน่แน่ในพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความเชื่อนี้ทำให้เกิดมีศีลขึ้นมาและไอศีลนั้นที่เกิดนั่นแหละมันละลายไอศีลพัตตาประมาทคือวิถีชีวิตที่เกะกะไอเอ่อเพอเจอร์เหลวไหลอันนี้เป็นแค่แค่ที่ท่านัญญากุณธัญะรู้สึก ในตอนเรมันรู้สึกมันจะเ จ, จิดจ้าคนที่จิตคําว่าเจิดจ้านี่หมายความว่ามันมันเหมือนกับว่าเราเดินอยู่ในถ้ำกลางดินแดนที่ร้อนระอุที่ว่าเจิดจ้านี่นะแล้วก็เดินไปอย่างนั้นแหละโดยความปรารถนาที่ว่าเพื่อได้น้ําสักเพื่อได้น้ําอาบน้ําดื่มอย่งนั้นเอง และเราก็ไปเจอบ่อน้ำและได้ดื่มน้ำเข้าไปความรู้สึกที่ว่ามันเจอจ้าน ะ, ะนะมันรู้สึกอย่างนั้นเหมือนคนที่เดินทางอยู่ท่ามกลางดินแดนที่ร้อนระอุและได้ดื่มน้ำเข้าไปความรู้สึกนั้นมันจะอืมหนึ่งมันจะละลายความสงสัยเครือบแคลงทั้งหมดออกไปจิตจะมุ่งมั่นแน่วแน่เป็นอินทรีย์ที่เป็นใหญ่ในใจของของเราอย่างแรง ที่พูดให้พวกเราฟังเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องยากกับการที่จะจะจญสรียนสมาธินะเพียงแค่นั้นนะ่ะพอมันเห็นในความว่าทุกจริงจริงไอ้นี่มันเป็นสภาพเพียแค่การเกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆเป็นอย่างนี้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะยับยั้งเหตุของความทุกข์ได้ เหตุของความทุกข์มันสามารถเกิดขึ้นและเป็นกลไกให้เข้าไปสู่ทุกข์ได้เพราะความเข้าใจผิดของเราเพราะความหลงผิดของเราพอเราไม่ได้หลงผิดตรงนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้มีความสําคัญหมายว่ากายนี้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเราเป็นเขาไม่ได้คาดหมายอย่างนี้แล้ว ด้วยความเข้าใจในความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่พิจารณาเรียนรู้ความเป็นจริงพอมันไม่คาดหมายอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้แรงปรารถนาที่ชื่อว่าตัณหาชื่ออุปาทานพวกนี้ที่จะเข้าไปไปเข้าเพื่อนำไปสู่ความทุกข์ตามกลไกลของตัณหาอุปาทานมันก็เลยไม่เกิดขึ้นในส่วนนั้นนะในส่วนนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้น พอพอมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถึงสมุทยศัสตร์ไปโดยปริยายพอถึงสมุทยศัสตร์โดยปริยายความที่ความทุกข์ไม่เกิดในระดับหนึ่งมันก็เป็นนิโรธนะถูกไหมและพิธีการทั้งหมดนั่นนะมันเป็นมัก <c oughs> นั่นทำให้ได้อริยสัจมันการเห็นอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ การที่เราพยายามจะเอาสมาธิฏฐิมาพูดมาทําความเข้าใจมาเขียนหนังสือกันร้อยเล่มพันเล่มเพื่อให้คนเข้าใจว่าฐานะของสมาธิฏิอันนั้นมันเป็นสมาธิฏิเป็นวิธีคิดของคนนอกศาสนาเยอะมากคนที่ไม่จมําเป็นต้องมีศาสนาไม่จมําเป็นต้องมีความรู้อย่างพระพุทธเจ้าเขาก็เขียนหนังสือให้คนอ่านในเรื่องที่ถูกต้องนะนะมากมากเหมือนกันแต่มันยังตราบใดที่มันยังเป็นกลุ่มเป็นก้อน ยังแยกฝกักแยกฝาก่ยกฝายแยกเราแยกเขามันเข้าถึงความจริงไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงไม่ได้ความรู้สึกที่ว่าไอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดามันก็เข้าไปไม่ถึงเราผู้ผู้เราผู้รู้สิ่งที่ถูกต้องทั้งหลายแหล่นี่มันก็จะอยู่กับความหลงความเพลินยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งวันนอกเหนือจากเวลาหลับ ชีวิตเราจะถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกของความหลงและความเพลินตลอดเวลาอันนี้เรื่องของสมา ธ, ธิทีนี้เราจะต้องอบรมสมาธิธที่ว่าเนี่ยให้ไปถึงขนาดไหนมันก็ต้องอบรมให้ไปถึงขนาดที่ว่าให้เกิดฉันทะฉันทะกือจนกระทั่งว่ามีใจมันน้อมเข้าไป มีใจมันน้อมเข้าไปแบบแน่วแน่ว่าสิ่งเหล่าเนี้ที่เป็นเป็นกายเป็นใจของเราเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นจากธาตุทั้งสี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นอัตตาตัวตนแน่นอนคือแต่พอพิจารณาอย่างนี้แค่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะมันละลายความเป็นเราลงไปเยอะมาก จากความเป็นเราที่เราพยายามเรียนมาอยู่เกิดมาในตระกูลดีมีฐานะแล้วก็สร้างอัตตาเรียนหนังสือเรียนมีความรู้เยอะๆจนทรงพูว่าฉันคือฉันคือฉันคือนะฉันคือเล็กไม่เป็นยอมไม่ได้อ่อนไม่ได้โอ้ยต้องอันพวกนี้ พอเรามีความรู้สึกนี้ปัมันจะละลายเรื่องพวกนี้ไปพอละลายเรื่องพวกนี้ป่อยชีวิตจะมีอิสระขึ้นมาเยอะชีวิตจะมีอิสระเยอะมากเลยจากการละลายความยิ่งจองหองออกไปจากการละลายความความยึดถือที่เป็นาตาพวกนี้ลงไปอันนี้เรื่องของสมาธิทีนี้ <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนว่าการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาดำเดินไปไหนดำเดินไปเพื่อสู่ความเป็นจริงอย่างนี้อันตรเราบอกว่าเราถือพุทธศาสนาแล้วเรียนรู้ฝึกฝนอบรมไม่ดำเดินเข้าไปสู่ความเป็นอย่างนี้มันผิดทาง ถามว่าได้ความรู้ใหม้มันก็ได้แหละแต่ว่ามันผิดทางมันเป้าหมายแรกของการปฏิบัติเรียนรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยในคําสอนของพระเจ้านะก็คือล่ลายเนี่ยปลดล็อกไอความเห็นในความรู้สึกนึกๆที่ว่ามันเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ออกไปก่อนแล้วก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ปลดไปหรือว่าอา เพียงแค่คาพูดมันเป็นในความรู้สึกเราจะเรียกว่ายานหรือเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างกระจ่างแจ้งอันมาจากการอบรมอย่างถูกต้องอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นแล้วชีวิตจะเป็นอิสระมากแล้วจะทาให้ ภาระในชีวิตของเราเนี่ยบันทอนลดลงไปเยอะมากนี่ก็ไม่ค่อยได้พูดกันด้วยเรื่องแบบนี้ <c oughs> วันนี้เราก็ภาคเชา้ามาช้า <c oughs> ถึงยมก็นั่งกันแล้วเชาว้านี้พอดีธรรมาก็ไม่ได้ฉันเป็นพวกเราก็ไม่มีใครถือสีนแปดมีใครไหมมีไหมไม่มีนะเออ จะเรีนั่งภาวนากันหน่อยการภาวนาก็เหมือนกันนะภาวนานี่เรียกว่าภ า, ภาวะ ภ, ภาวนาเนี่แปลว่าการอบรมอบรมเพื่ออะไรให้เราพิจารณาดีๆนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติสัมปชัญญะสติว่าเมื่อสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะศึอุปนิสังโซ อุปาณิอุปาิ ส, สัพพันนังโหติหิโรตปังเมื่อเมื่อสติสัมปญญามีฮิโอตปะของผู้ที่มีสติสัมปญญานั้นถือว่ามีเหตุสมบูรณ์ลองฟังดูนะฮิโอตปะถ้าไม่มีสติสัมปญะเรียกว่าเหตุของเหตุของฮิโอตปะนั้นพินาศ แต่เมื่อมีสติสัมปชัญญะเหตุของหิริโอตาปะนั้นเย่อมจะเป็นเหตุสิ่งที่มีเหตุสมบูรณ์อุปนิสสะสัมปันนังโอติหีโรตาปังทนี้หีโรตัเปสติเมื่อหีริโอตาปะมีหีโรตาปัสสะหตูปนิโสเอออุปนิสสะสัมปันโดโหติ อินทรียส am ah ังวรเมื่อหิริโอตปะมีมันจะทําให้อินทรียสังวรคือความระมัดระวังความปริระมัดระวังความใคร่ครวญความไม่ประมาทความความรอบคอบมีเหตุสมบูรณ์คือมันจะเกิดขึ้นอินทรียสังเรสติเมื่ออินทรียสังวรมี อ ah an ินทรียสั่งวรัสสะหตูปนีสั่งสี่หลังศีลที่ว่าเนี่ยศีลที่เราพูดถึงกันเนี่ยที่ท่น า, านสมาทานตอนเช้าวิรักกันตอนเช้ า, ชามันมีเหตุสมบุรณ์มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแค่เราจะเริญนสติให้ถูกต้องให้สติเกิดอย่างถูกต้องนะสิ่งที่เราจะได้แบบแบบง่ายๆแล้ว หนึ่งฮีโตาปาเกิดสองอินทรสาวนวลเกิดและสามศีลจะเกิดโดยธรรมชาติถ้าเราเดินมาแค่เนี้ยแค่จะเริญสติอย่างถูกต้องเราก็จะได้มาจนถึงศีลแบบธรรมชาติะฮะจันทร์สติอย่ถูกต้องก็ยากนะคะเออก็ไม่ยากหรอกอยากที่ได้ทำถ้าได้ทําแล้วไม่ยากมันยากในการประคองให้มันอา้าวเราไม่ต้องประคอง ประคองมันยากนี่ประคองคือแบกคือจับคือถือคือลากมันก็ยากเลแต่ว่ามันยากตรงที่ได้ทําเพราะว่าส่วนมากไม่ได้ทำนั่นก็นี่ก็ถือว่าได้แล้วว่าได้เยอะได้ในระดับหนึ่งได้เท่าที่มีใครจะไปห้องน้ําตอนนี้ก็ไปก่อนได้นะเดี๋ยวเข้ามานั่งภาวนากัน นี่เรามาถึงแค่ศีลเนี่ยไอ้ศีลที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดโดยธรรมชาติไม่ต้องไปขอจากพระอะไรทีนี้ศีลมันเกิดมาจากการสํารวมระวงังความสํารวมวังมันเกิดมาจากฮิริโอตปาปะฮิริโอตปาปะมันเกิดมาจากสติเอ่อสติสัมปชัญญะแต่ถ้าสติสัมปชัญญะที่ไม่ได้พัฒนาเอาแค่สติสัมปชัญญะที่เรามีอยู่นี่ มันได้แค่คิดแหะทีเนี้ยเรื่องคิดจึงพูดกันแบบนี้มันได้แค่คิดว่าทําอย่างนั้นไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ดีทําอย่างโน้นไม่ดีแต่เมื่อมีเหตุกระทบมีภาษาเกิดขึ้นเราก็ทํานั่นแหละทั้งๆ ท, ท, ที่เรารู้ว่ามันไม่ดี <S <S เพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะของเรามันอ่อนแอสติสัมปชัญญะไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเลยเราทําให้มันมีขึ้นนะสิ่งสติสัมปชัญญะเนี่ย คือสิ่งที่มีอยู่เราทำให้เขาจะเรินขึ้นแข็งแรงขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแลวทำให้มีขึ้นนะสติสัมปัญญาเนี่ยมันมีอยู่แต่มันอ่อนแอเราภาวนาก็คืออบรมพัฒนานั่นเองคำว่าภาวนาคือพัฒนา ทำสติสมัญญาที่มีอยู่เนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเมื่อสติสมัญญาแข็งแรงฮิริโอตปาะจะเกิดตามกําลังของสติฮิริโอตปามันเกิดขึ้นมาในลักษณะอะไรในลักษณะที่มันเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็กลัวโทษพราะมันเห็นคุณเห็นข้อดีเห็นข้อเสียใช่ไหมล่ะเห็นคุณเห็นโทษอัสาทะอาทีนวะเห็นอาสาทะนี่คือเห็นคุณ อาทีนวะนี่คือเห็นโทษพอมันเห็นโทษปั๊บมันโอตะปะมันจักเกรงกลัวพอมันเกรงกลัวแค่นั้นน่ะต่อไปมันก็เกิดอินทรีย์ทั้งหมดมันจะระมัดระวังใช่ไหมระวัดระวังอินทรีย์ระมัดระวังตาระวัดระวังมือระวัดระวังการพูดระมัดระวังการเคลื่อนไหวการกระทําทางกายระมัดระวังการตัดสินใจเพราะความที่มันไปเห็นโทษนั่นแหละ มันจึงทําให้เกิดการระมัดระวังไอ้การที่มันระวัดระวังนั่นแหละมันคือศีลแหละทีเนี้ยอินทรียสั้งวที่มันระมัดระวังระมัดระวังมาอดระมัดระวังไม่ให้ชีวิตของเราที่เคลื่อนไหวอยู่ทางกายทางวาจาเนี้ยไปต้องโทษไปต้องกับสิ่งที่เป็นโทษใช่ไหมเพอะมันจะไปต้องกับสิ่งที่เป็นโทษมันก็ยับยั้งไว้พอจะไปต้องกับสิ่งที่เป็นโทษมันก็ยับยั้งไว้การยับยั้งในการที่จะ ระเบิดเนี่ยนี่เรียกว่าศีลแหละศีลมันก็จะสมูลขึ้นมาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นก ฎ, เ, นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลักของการเจริญสติในได้แค่นี้เองและปัญหามไม่มีแค่นี้นะเมื่อเมื่อความยับยั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติศีลที่เป็นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันทําจะทําให้กายวิจาสะอาดพรอกายวิจาสะอาด มันก็จะดูไปดูมามันก็มันไม่เอาอากุศลแล้วใช่ไหมเอออากุศลมันไม่เอาแล้วอากุศลใดที่มีอยู่มันละอากุศลใดที่มันจะเกิดเนี่ยมันป้องปกป้องมันก็เกิดเป็นสมประทานขึ้นมาอืมเป็นสมประทานขึ้นมาเป็นวิริยะขึ้นมาเลยทีนี้เป็นวิริยะคือในระหว่างที่มันอยู่เนี่ยมันไม่เอาอากุศลแล้ว มันเอาแต่ความดีอะไรที่ดีเนี่ยมันจะเพียนเข้าไปทำเพียนเข้าไปทำเพียนเข้าไปทำอะไรที่มันดีอยู่แล้วมันก็จะเพียนรักษาเพียนรักษาอะไรที่ไม่ดีมันก็เพียนกาจัดเพียนกาจัดเพียมกำจัดมาจากตัวศีลขึ้นมานะทีนี้ชีวิตมันจะไปยังไงอะเรื่องจะน้อยใช่ไหมพอมันน้อมเข้าไปสูกกายใจเนี่ยมันนึกถึงอะเรานึกถึงจิตใจของเราที่นั่งเนี่ย พอทรงจิตลุกขึ้นไปในความเป็นเราก่อนไม่เห็นความชั่วเลยไม่เห็นอกุศลแม้แต่น้อยเลยสะอาดมากดูไปแล้ว <c oughs> ดูโหในขณะปัจจุบันนี้ก็สะอาดแล้วดูย้อนกลับไปสู่อดีตโอ้โหชีวิตกูทำไมมันดีอย่างนี้มันเกิดอะไรเกิดอะไรเึ้นเรียกว่าอาวิปฏิสารมันจะเกิดควานไม่เดือดร้อน ระลึกถึงตัวเองทีไรระลึกถึงชีวิตตัวเองทีไรระลึกถึงธาตุขันธ์ของตัวทีไรแล้วมันไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกเร่าร้อนมันเลยเกิดความอะไรความปราโมดร่าเริงพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อศีเลสติเ ม, มื่อศีนี่มีไอ้สีลตัวนี้นะสีลที่โตมาจากสตินะเ ม, มื่อศีลมีศีลัทธะอุ ป, ปนิสสะสมปันโน สัมมาสมาธินั่นพอสี่งตัวนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิมันจะทำให้เกิดจิตตั้งมั่นนะทีเนี้ยเพราะว่ามันปราโมดโปปลาโมดป๊ามันไม่น ไ, ไม่เอาอย่างอื่นแล้วไงเพราะอย่างอื่นเวลาเวลาจิตเราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามมันไปด้วยอำนาจของนิวรน แต่เมื่อใดที่จิตมันมันกำจัดอกุศลโดยธรรมชาติแล้วหากุศลรักษากุศลโดยธรรมชาติอย่างนี้มันไม่รู้จะเอาอะไรไม่รู้จะไปแสวงหาอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปตามตามรายการของชีวิตอยู่แล้วมันก็เลยเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นอย่างนี้มันเลยทาให้เห็นตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริงคือเห็นอะไรเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนั่นแหละเมื่อมันปลดเรื้องภาราะแล้วจิตไม่มีภาระเป็นอย่างอื่นมันก็จะไปเห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าออสมมาส ม, มาธออิสัตสมมาส ม, มาธิสัตุ ป, ปนิสัสัมปันโด ยถ้ า, าอยาอุปดิษ ส, สัมป น, นังยะธาูตยาาทัาานาทสนังเมื่อจิตตั้งมันมีการรู้การเห็นตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสเต็ปเป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นแบบนั้น